31เดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสีบ่เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่ีสิ่งที่สำคัญก็คือให้เรามารู้จักคำว่าเวลา อย่าไปยุดติดเวลาผู้ปฏิบัติธรรมะว่าต้องรู้จักเวลาคำว่าเวลาไม่ใช่เวลาเช้าวเวลาเที่ยงเวลาคำ่ำเวลาบายอันนั้นมันเป็นสิ่งสมมติหมดเราต้องรู้จักแยกว่าอะไรสมมติอะไรจริง ถ้าเราไม่รู้จักสมมติก็ข้าไปยึดติดเมื่อข้าไปยึดติดก็ทำให้มีความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เป็นเรื่องของชีวิตทีเดียวฉะนั้นชีวิตจริงนะ่ะมันคืออะไรชีวิตที่ไม่จริงนะ่ะมันคืออะไร อย่างในศาสนาคริสต์เขเขาก็พูดเรื่องเวลาเรื่องเวลาก็คือเรื่องของอายุเรื่องของอายุเขาก็เลยพูดถึงเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าตามที่จริงคือถ้าเรารู้จักเวลาเรารู้จักทำจิตเหนือเวลา พระเจ้าก็คือผู้ที่รู้จักจิตที่อยู่เนือเวลางั้นศาสนาคริสต์ก็เรียกว่าพระเจ้าศา ส, สนาอิสลามก็คือพระอัลลอฮ์ศาสนาพุทธเราก็คือพระพุทธเจ้างั้นเราไม่สามารถที่จะยกย่องหรือว่าจะตีเตียน พระพุทธเจ้าผู้ค้นพบผู้ค้นพบเวลาว่าเวลาเป็นของไม่จริงเวลานี้เป็นของไม่จริงไม่ใช่ว่าไอสตายไอสตายพบเพียงแต่คาว่าเวลายืดหยุนได้เัี้ของไอสตายแต่ว่าพระพุทธเจ้า รองคนพบว่าเวลาเป็นของไม่จริงเป็นของไม่จริงเมื่อเวลาเป็นของไม่จริงอายุก็ต้องเป็นของไม่จริงทีนี้ของาศาสนาคริสต์เขาก็มีนิทานเล่นๆในเรื่องของเวลาพระเจ้าสร้างโลกแต่พระเจ้าของเรานะี่คือธรรมชาติ ธรรมชาติคือสิ่งทั้งปวงสเป ธ, ธรรมมาคือสิ่งทั้งปวงแง่ของศาสนาคริสต์ก็ เ, เริ่มต้นว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าสร้างโลกเรื่องพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าก็เอาไอ้กี้ฝ่นดินมาเศษ แล้วก็สร้างให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาหรือเป็นคนขึ้นมาพอสร้างให้เป็นคนขึ้นมาคนก็ยังไม่รู้อะไรว่าตัวเองนี่เป็นอะไรก็ถามพระเจ้าว่าตัวข้าเป็นอะไรพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าเป็นคนทีนี้คนก็ถามต่อว่าแล้คนนี่มีอายุเท่าไหร่ พระเจ้าก็เลยบอกต่อว่าเธอมีอายุเพียงสามสิบปีเธอจะอยู่ได้จะสวยงามอยู่ได้ก็ในระยะส0มสิบปีนั้นพอสร้างคนเสร็จก็เลยให้คนนั่งอยู่ใกล้ๆที่ตรงนั้นพระเจ้าก็คิดต่อว่าเออคนนี้ มันต้องทามาหากินฉะนั้นก็เลยสร้างเครื่องตุ่นแรงขึ้นมาเครื่องตุ่นแรงก็คือสร้างวัวขึ้นมานี่เมื่อก่อนวิทยาศาสตร์มันไม่เจริญแต่พอเจริญเจริญมากขึ้นมาโดก็เลยทำหลายโลกาะนี้กล้าสร้างเครื่องตุ้นแรงก็สร้างวัวสร้างวัวขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์ มนุษย์ต้องทำนาทำารวัวก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ถามพระเจ้าว่าข้าเป็นอะไรพระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นวัวมีหน้าที่ในการแบกแอกแบกถอยวัวถามว่ามีอายุเท่าไหร่พระเจ้าบอกว่าสามสิบวัวใกล้กรวดัวไอ้สาสิบ แบ็ดเดบ็ไถเหนื่อยใครย้อยมันไม่ก่อยหมอเท่าไหร่หห ม, ห ม, หรมันเหนื่อยก็ขอลดพระเจ้าขอสักสิบปีพอ2ี่สิบไม่เอาพระเจ้าก็อนุญาตทีนี้คนที่นั่งอยู่แรกกรไดมันเกิดความโลภขึ้นมาโดยสันดานมันเกิดความโลภ ความอยากก็โดยที่เหลือย0สบที่หัวไม่เอาแลก็เ็ก็กไปขอพระเจ้าว่าที่ที่วัวไม่เอาเลยยสิบนะขอเถอะพระเจ้าก็ให้ไปของคนก็บวกไปเป็นห้าสิบหบทีนี้ต่อไปคนมีทรัพย์สมบัติไม่มีใครกฝ้าก็ต้องสร้างสุ น, นัขขึ้นมา ก่อสร้างสุนัขขึ้นมาอีกสุนัขถามว่าตัวข้าเป็นอะไรเจ้าก็บอกว่าเจ้าเป็นสุนัขมีหน้าที่ในการความรั์สมบัติของคนแล้วก็ไม่ต้องหลักไม่ต้องนอนทั้งกลางวันกลางคืน30สปีสุนัข ก, ก็ขออ้อนวอนอีกว่าขอสิปีพอยี่สิบนะไม่เอา ไม่เอาที่นี่คนเอาอีกไปขออีกเอาขอาว่ายี่สิบที่สุนัขไม่เอานั่นขอเถอะพระเจ้ากดทำตาตะลนตหลนแล้วที่นี่อันนี้มันอยากเกินไปแล้วบอกนะเอาไปเป็นเจสิบเจบที่นี่คนพระเจ้าดูแล้วว่าคน เครื่องตุ่นแรงก็มีแล้วทรัพย์สมบัติมีแล้วต่อไปมันยึดมัน่นถือมั่นมากหัวเราะไม่เป็นทำยังไงทีนี่พระเ้างให้มันสนุกสนานหัวเราะบ้างก็เลยสร้างลิงขึ้นมาก็อย่างนั้นอีกลิงถามว่าตัวข้าเป็นใครพระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นลิงมีอายุสามสิปี หน้าที่ของเจ้าก็คือต้องออกริ่งให้คนหัวเราะสามสิบปีวัดนี้มีริงเยอะโยมดูตอนเช้าๆต้องระวังของกินอะไรอย่างวางไว้มันมีโจนวัดนี้โจนอยู่บนปลายไม้ทีนี้ลิงออกอ อ, ออกริงออกข้างอยู่สามสิบปีนึ่มก็ไม่ไหวขอสิบปีพอแต่ยี่สิบปีที่เหลือ มนุษย์กูข้าวไปขออีกก็ได้90สบปีรวมแล้ว90 90สบสิบที่นี้เรามาดูความจริงกันว่าคนเองมันจะสวยงามได้อยู่ในระยะส0สปีพวกดาราผู้หญิงดาราผู้ชายผู้ที่ไม่เป็นดาราก็เหมือนกันน มันจะสวยงามอยู่ได้ในระยะสามสิบปีแค่นั้นเองเพรเลยสามสิบปีมันก็ต้องมีสามีต้องมีภรรยา <c oughs> มีลูกแบกเอกแบกถอยทีนี้มันไม่ใช่อายุของตัวเองแล้วเป็นอายุวัวแล้วก็เลยต้องแบกแอะแบกถอยต้องทำหน้าที่ ทำหน้าที่เหงื่อไหลใครย้อยห้าสิบปีจนถึงห้าสิบปีอายุกองหัวนั้นห้าสิบปีเพราะว่าไอ้ยี่สิปีหลังนี่มันกองหัวก็เดยต้องเหน็ดเหนื่อยแต่คนก็ยังไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเน็น่อยทีนี้่อคนเลยห้าสิบไปเป็นยังไงทรัพสมบัติก็มีอันนั้นก็มีอันโล้ก็มี มีความยึดมั่นถือมั่นมันมากขึนนขนนน้นมันเพิ่มขึ้นเมื่อมันความยึดมั่นถือมั่นมันเพิ่มขึ้นคนนั้นก็นอนไม่หลับนั่นคืออายุของสุนัขนอนไม่หลับความทรัพสมบัติเป็นห่วงต้องเป็นห่วงดังนั้นต้องเรียกว่ากังวลมีความกังวล ก็มีความกังวลคนจนก็มีความกังวลคนรวยก็มีความกังวลใครๆก็มีความกังวลพอตื่นแล้วก็ไม่ยอมหลับแล้วไม่ยอมหลับแล้วนั่นคืออายุของสุนัขทีนี้พอต่อไปอายุของลิงพอเจดถึงเก้าสิบมันเป็นของลิง ของดิงก็ดูท่าทางเพราะว่าคนสมัยก่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนหรือไม้เท้าผมเผาหงอกหมดอะไรหมดก็ดูหน้าตาเหมือนกับคนอินเดียที่อยู่ทางภาคเหนือนั่นแหละแต่เราไปอินเดียเจอคนอินเดียก็นอ่มันอยู่ในทุ่งนานก็เห็นพระมันก็ตะโกนเลยยาหมองยาหมองยาหมอง มันชอบยามองตราลิงของนั้นชอบ ใ, ใครมียามองก็นั้นเนี่ยพกยามองก็ได้ไปอินเดียเนยจ้ายามองกันส่วนมากก็จะเป็นผู้ใหญ่ทีนี้อายุ 70-90 ถึงน่มันเป็นของลิงมันเป็นของลิงนี่คือในาศาสนาคริสตท์ทีนี้เรามาดูว่าไอเวลาเวลา ไอ้เวลานี่มันคืออะไรนี่เราก็นับกันอีกแล้วเออเราปีนี้อายุเท่านั้นอายุเท่านั้นอายุเท่านั้นเพิ่มเพิ่มเพิ่มกันไปแต่ยิ่งเพิ่มยิ่งหดยิ่งเพิ่มยิ่งหดยิ่งเพิ่มยิ่งหดเพิ่มกันไปแล้วมันหดหดค่อยค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่เห็นเห็นแต่เพิ่มเห็นแต่เพิ่มแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มนั้นคือหด เข้าไปทีนี้ทางหลักวิทยาศาสตร์มันก็เจริญเวลาเวลามันมีขึ้นมามนด้วยอานาจอะไรก็เพราะว่ามันมีโลกนี้มันมีดวงอาทิตย์มันมีจักรวาลแค่ดวงอาทิตย์นมัก็คืออยดวงหนึ่งคืออยดวงหนึ่งหลวงพ่อบอกว่ามันเกิดมาจากความสงบก่อนอื่นมันเกิดมาจากความสงบ เมเกิดความสงบขึ้นมาแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยพัฒนามีนั้นมีนี่มีโน้นมีมีมีมีมีไปเรื่อยมีไปเรื่อยจนมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมีโลกขึ้นมาที่นี่ทุกอย่างมันมีพลังในตัวของมันเองแม้แต่ลุมดำนี่ลุมดำขนามันดับแล้วมันก็ยังมีพลังที่เหลือพลังที่เหลือ มันดูดอะไรที่เข้าไปใกล้มันจะดูดเข้าไปเลยคือมันยังมีพลังยังมีพลังทีนี้โลกนี้ก็มีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่หมุนไอดวงอาทิตย์ก็มีพลังคือความร้อนมันมีพลังมีทั้งความร้อนมันมีทั้งแสงมันมีทั้งอะไรทุกๆอย่างถ้าถามว่าทำไมดอกไม้มันจึงมีสีก็นั่นคือพลัง แห่งแสงของอาทิตย์แสงอาทิตย์มันมีสีทุกสีแหละแต่ที่มนมุษย์ไปนับว่าเท่านั้นสีนะมันไม่ใช่มันมากกว่านั้นเยอะแยะตอนนี้เขากำลังที่จะไปดูพืชพืชสวนโลกกันโดนหลอกทางนั้นโดนหลอกทางนั้นเพชรนินจินดาที่มันสีสวยงามขึ้นมามนะัน <c oughs> เป็นหินที่อยู่ในภูเขา และมันก็สามารถที่จะเก็บแสงหล่งนั้นไวเป็นล้านล้านปีาเกิดโลกขึ้นมามันเก็บแสงเอาไว่า่ไว้ก็เป็นเพชรก็ได้เป็นพลอยสีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยลเราก็ไปหลงข้าไปหลงจนมีข้ามหาศารนดอกไม้ดอกหนึ่งมันก็เหมือนกับเพชรพลอยนั่นแหะ มันก็สามารถที่จะซับแสงดวงอาทิตย์แสงนั้นมากลายเป็นสีทีนี้พืชสวนโลกัก็คือสีต่างๆของดอกไม้ที่มันเก็บได้มันเก็บได้นะมันก็บรรจุเอาไว้แล้วก็ออกมาเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวเป็นสีแดงเป็นสีน้าเงินเป็นสีจุลภูสีนั้นสีนี้ แล ไ, ไปเอามากาศ e มาจากประเทศฮ mm hmm. อลแลนด์บางประเทศโน่นประเทศนี้ประเทศนั้นเราประเทศฮอลแลนด์มันอากาศดีมันกายผักกายพืชกายผลไม้แถวนั้นประเทศสวีเดนประเทศดเดนมาร์กแม้แต่ผักมันก็สั่งมาจากประเทศฮอลแลนด์ All and, ทั้งนั้นเลยไอนี่ isz. ดอกไม้น ก, ก็สวยแต่นั้นดอกไม้สวยทั้งนั้น ดอกไม้มันมาจากอะไรสีของดอกไม้มาจากอะไรก็มาจากดวงอาทิตย์ทางนั้นดวงอาทิตย์ทางนั้นเลยนี้เพราะมีโลกนี้ขึ้นมาเพราะมีดวงอาทิตย์ขึ้นมามันก็มีคนมีสัตว์มีสีมีสันขึ้นมาแต่โลกนี้มันก็ยังไม่ตายมันก็ยังไม่ตายมันก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเพราะว่าทำไมมันจึงหมุน เพราะมันโดนดูดดวงอาทิตย์มันดนูดอยาให้โลกเข้าไปอยู่ด้วยกันทีนี้โลกนี้ก็ไม่ยอมโลกนี้ไม่ยอมลโลกนี้ไม่ยอมมันก็ต้องหมนุนการหมุนนี่คือการต่อสู้การต่อสู้ต่อกันเลยกันระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนี่ถ้าลองมดเราเห็นว่าไก่นี่มันชนกัน ก่อนพ่อก็เลี้ยงนกยูงตายหมดเลี้ยงไม่เป็นนกยูงกับไก่ฟ้าไก่ฟ้าตัวเล็กนกยูงตัวโตเออมันสู้กันให้อยู่ในกรงเดียวกันมันสู้กันมันชนกันไก่ฟ้ามันก็สู้มันถอยแต่มันก็สู้มันถอยแต่มันก็สู้เออนี่มันโลกนี้ก็เหมือนกันเโลกนี้ถึงมันจะเล็กกว่าดวงอาทิตย์ มันก็สู้การสู้ของมันทำยังไงก็เลยหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมนมันก็หมุนอย่างนี้หมุนสู้หมุนอย่างนี้คือหมุนสู้ทีนี้การหมุนของดวงอาทิตย์นั่นแหละของขอไปของโลกนั่นแหละการหมุนของโลกก็เลยทําให้เกิดเวลาขึ้นมาตอนไหนที่มันสว่างก็เป็นกลางวันตอนไหนที่มันมืดเพราะมันบังตัวมันเองก็ําให้เกิดกลางคืน นีต่ตาเราขึ้นไปกลางอวากาศเราไปศึกษาดูวาเวลานี่มันคืออะไรโลกนี้มันหมุนแต่เรานั่งตรงนี้เราไม่เห็นว่ามันหมุนเลยเราขึ้นไปกลางอวากาศเราขึ้นไม่ได้เราก็แยกจิตขึ้นไปวิทยาศาสตร์ก็จะเลินในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าสปปรรพสิ่งเหล่านี้เาก็ก้นคว้ากันอยู่ เราก็แยกจิตเลยแยกจิตออกไปเรแยกจิตออกไปขึ้นไปอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกก็ขึ้นไปอยู่เหนือโลกเราเจอนิรันือโลกนี้มันหมุนหมุนหมุนห ม, หมุนเพราะโลกมันหมุนมันจึงทําให้เกิดเวลาก็เกิดเวลาขึ้นมาเกิดกลางวันกลางคืนขึ้นมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปียี่สิบปีร้อยปีพันปีล้านล้านปนีนั่นคือเวลา กอเกิดเวลาขึ้นมาเราไปเห็นอย่างนั้นเหรอโอ้เรานี่มันโดนต้มเนี่ยมันโดนต้มเราว่าอายุนี่เป็ น, เ ป, นเป็นของเรามันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยสมมติเวลาเป็นสิ่งสมมติเพราะโลกมันหมุนถ้าไม่เกิดการสมมติขึ้นมาถ้าไม่เกิดเวลาเนีพอถ้าให้เกิดเวลาเราก็ไปยึดติดในเวลา อนพอเทคโนโลยีขึ้นมาเมื่อก่อนนะมันมีที่ไหนนาฬิกานี่ไม่มีนาฬิกาเราก็คำนวณในการสร้างสร้างเวลาขึ้นมาเลยเอาเวลานั้นมาผูกกับข้อมือเลยนี่คือสิ่งสมมติเพราะเราเราจะได้ทํานั้นทนํานี้ตามกําหนดของเวลาแต่เสร็จแล้วเราก็เห็นว่าให้เวลาเป็นของมัจริง ว่าเวลาเป็นของไม่จริงอายุมันก็เป็นของไม่จริงอายุเป็นของไม่จริงเลยก็ไปยึดถือมันทำไมอคนที่ไม่มีรถข้อภัยเด็กคนที่ไม่มีรถยืนรอรถเมย์อยู่เกล่งจั่วโมงก่อเล้วว่าอะไรก่อเลยสบายไหมเป็นทุกเป็นทุกเพราะอะไรเพราะเราก็ไปยึดถือเวลาก็ไปยึดถือเวลาอา้าวเรามีรถกัน มีรถเจ่แล้วรถติดรถติดพอรถติดก็เป็นทุกข์อีกก็มันติดอะไรอ ย, อย่างนี้เวลาตั้งนั้นอนองเพราะเราข้าไปยึดถือเวลาเมื่อข้าไปยึดถือเวลาความทุกข์มันก็โยงมาทันกีเลยวันหนึ่งหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไมปบินตบาทเอนนั้นมีพระหลายรูปนายรูปทีนี้ถึงเวลาแล้วแต่ไมยังไม่กลับทีนี้เป็นยังไง พอก็เดินจงกรมดีกว่าเรื่องอะไรให้เวลามันล่วงไปโดยไม่มีประโยชน์ก็เดินภาวนาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเดินไปเดินมาไม่ใช่กู ใ, กนน ใ, กในขณะ ท, ที่เดินไปเดินมานั่นแหละแล้วก็ภาวนาไปวนะ่าเฮ้เวลานี่มันคืออะไรอ๋อนี่พระจิตเราอยู่ใต้อํานาจเวลามันจึงเป็นทุกข์ แต่ดูแลวเวลามันเป็นสิ่งสมมติเมื่อเป็นจริ่งสมม ต, ติเราจะไปยึดมันทําไมเห็นเลยเหรอโอ้เวลาเนี่เป็นของไม่จริงเมื่อเวลาเป็นของไม่จริงอยาอยุก็เป็นของไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่างสมมติหมดสิ่งที่อยู่ใต้อํานาจของเวลาสิ่งสมมติทางนั้นดอกไม้เจ้าขึ้นมาคุมสาย าสายมาผูกบานสีสันเปลอะเปลดะจิต เ, เด่กดเที่ยงบ่ายก็าค่ อ, คอยๆเหี่ยวเฉาหรืออยู่ได้ไม่นานหรอกไม่กี่วนันก็เหี่ยวแล้วก็เฉานคนก็เหมือนกันกับดอกไม้นะั่นแหละเหมือนกันฉะนั้นเมื่อคนหลงคนหลงตัวเองว่าเราเป็นหนุ่ม เราเป็นสาวอี่นี้ก็เรียกว่าหลงในวัยหลงในวัยแง่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะอยู่ได้สักกี่ปีมันก็ค่อยล้อยลอยลงไปล้อยลอยลงไปร้อยลอยลงไปแต่ถ้าเรามีจิตที่อยู่เหนือเวลาอยู่เหนือโลกเรียกว่าอยู่เหนือนโลกพอมีจิตอยู่เหนือโลกมันจะเหนือต่อไปเหนือจักรวาลเลยต่อไปอยู่เหนือจักรวาลเลย ว่าจิตอยู่เหนือจักรวาลห็นไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์กในเรื่องของอายุมันเกิดแก่ขึ้นมาเอะความแก่มันเป็นอย่างนี้เองนี่คือการไหลของธรรมชาติความเจ็บมันคืออะไรความเจ็บการเจ็บไายได้ป่วยมันก็ร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหมดความแก่เป็นอย่างนี้ความหนุ่มความสาวเป็นอย่างนี้ความตายเป็นอย่างนี้ เพราะเรื่องนี้แหละจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่อย่างนั้นไม่เกิดพระพุทธเจ้าเพราะในโรคนี้มีความทุกข์ทุกข์เพราะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูความรู้สึกว่าตัวกูไอความหนมสาวมันก็ตามมาความหนมสาวก็คือความแก่ความแก่ก็คือความแก่ความเจ็บก็คือความแก่ ผมงอกก็คือความแก่วันหลุดก็คือความแก่เนื้อหนังเหี่ยวย่นก็คือความแก่ความแก่ทั้งนั้นก็แก่แล้วก็เจ็บพอเจ็บแล้วก็ตายมันอะไรมันต้านี้เอเกิดมาเต้านี้เลแล้วก็มาหลงหลงหลงหลงหลงหลงเกิดมาหลงหลงอะไรหลงเพราะไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักเวลาทีนี้พอพูดว่าเออ พอพูดอย่างนี้จะดูถูกกันมากเกินไปแล้วไม่รู้จักเวลาเรารู้ทว่าตอนนี้เวลาตีห้าเลยห้านาทีและไม่รู้จักเวลาก็ไอ้ตีห้านาทีนะมันสมมติทางนั้นเป็นสิ่งที่สมมติทางนั้นก็กลางวันกลางคืนก็เป็นสิ่งสมมตะโลกมันหมนุนเก็โลกหมุนเนี่ก็มันเราเรียกว่าเวลาเวลา เวลาแถวนั้นเวลาแ่านั้นเวลาเแ่านั้นเวลาก็ไว้กําหนดว่าเราทําอันนั้นเวลาแถานั้นทำอันนั้นเวลาเแ่านั้นก็ไว้กําหนดกันไว้กําหนดกันทีนี้มันจะมีไว้ยึดถืออนี poet, ้เราก็ข้าไปยึดถือข้าวิยึดถือว่มันเลยเวลาหรือยังไม่ถึงเวลานันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งนั so ้นความแก่ก็คือเวลา ความหนุ่มสาวก็คือเวลาความเจ็บก็คือเวลาความตายก็คือเวลาที่ธรรมชาติกระกหนดให้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้ น, น, นเวลาทั้งนั้นเลยแต่เจด๊ดัเราไม่รู้จักเวลาเมื่อไม่รู้จักเวลาก็อยู่ใต้อำนาจของเวลาทนนี้สัตว์ทุกประเภทพืชทุกประเภททุกอย่างที่อยู่ในโลกในจักรวาลนี้เมื่อไม่รู้จักเวลา ก็อยู่ใต้อำนาจของเวลาก็าอยู่ใต้อำนาจของเวลาก็มีความทุกข์มีความทุกข์เข้าใจไหมนี่มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันี้นพอเราเออตอนนี้อายุ30อายุ29อายุ25อายุ40หัวเราใส่อยมันเลยโอ้นี่มันอย่างนี้เองเนะี่ยนี่เนื้อหนังมันเหี่ยวมันแค่นี้เองนะี่เออนี่ผมหงอกมันอย่างนี้เองนะีธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองนะ รู้ จ, รจักธรรมชาติรู้จักธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติที่น er uh, ี่จิตอยู่เหนือธรรมชาติคือร่างกายอยู่เหนือร่างกายแล้วก็จิตนั้นก็อยู่เหนือจิตอยู่เหนือจิตโง่นี่เพราะว่าเราภาวนาว่าไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไอ้กูน่ะมันคือจิตโง่มันคือจิตโง่แต่ไม่ใช่กู้น่ะคือว่างจากกู้ ว่างจากตัวผูว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นนั่นคือจิตว่างจิตว่างอีนนี้เราจะไปเข้าใจว่าจิตว่างคือไม่มีจิตจิตน่ยมันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมจำโตไม่ได้ไม่เปลืองเนื้อที่ไม่มีสีไม่มีอะไรจิตนั่นคือจิตเรียกว่าเป็นนามธรรมมันมีแต่ชื่อมีแต่ชื่อจึงเรียกว่าวิญญาณธาตุ จิตเป็นวิญญาณธาตุรูปธาตุอารูปธาตุนิโรธาตุนิโรธาตุคือธาตุดับธาตุดับในธาตุสามรูปธาตุธาตุที่มีรูปจับต้องได้เรื่องเนื้อที่ที่ธาตุที่ไม่มีรูปเรียกว่าอรูปธาตุเวทนา ความสบายความสนุกสนานความพอใจไม่พอใจเฉยๆเวทนาทัญญาความจำความมั่นหมายสังขานความคิดวิญญาณความรู้ตัวรู้ทีนี้ตัวรู้ตัวนี้ไม่ใช่รู้จริงคุณจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นด็อกเต อ, เอร์เป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะ แต่รู้ของคุณ น, น่ยไม่เหมือนรู้ของพระพุทธเจา้าไม่ช่รู้เหมือนของพระอารหันต์คุณรู้ด้วยความยึดมั่นถือมัน่นรู้นะมันดับทุกข์ไม่ได้คุณจะรู้ไปถึงดวงดาวรู้ไปถึงจั ก, กรวาลตอนนี้ก็ทําอะไรต่ออะไรจะก็ น, นู่นไปค้นคว้าถึงดาวอังคารถึงอะไรแต่คุณก็ดับทุกข์ไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไร นั่นคือความรู้ในทางโลกในทางวิทยาศาสตร์แต่รู้นั้นดับทุกข์ไม่ได้ทําไมไอสไ้สตายจึงจะต้องหันมาว่าโอ้พุทธศาสนานี้เป็นศาสนาประจําจักรวาลไม่ใช่เป็นศาสนาประจําโลกแล้วประจําจักรวาลเพราะจักรวาลเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าอะไร ก็ เ, เพราะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนั่นแหละจั ก, กรวาลมีขึ้นมาตั้งต้นจากความสงบความสงบเป็นต้นเดิมของสรรพสิ่งนี่พอมีความสงบขึ้นมาแล้วต่อไปมันมีความมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็นน เ, เลยพัฒนาพัฒนาพัฒนามาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยจนถึงบัดนี้ มันพัฒนามาจากสิ่งที่มันไม่มีจากสิ่งที่เรียกว่าจากความสงบแล้วก็มามีมีทีนี้มีเราก็เยอะแยะนับไม่ถูกพระก็นั่งนับกันอยู่เห็นไหเวลาพระเขานิมนต์ไปสวดศพนะั่นก็ว่าทำ ม, มาทำ ม, มาทำ ม, มาทำ ม, มาอะไรก็ทำรร ม, มาหมดก็คือธรรมชาติ ธรรมมาคือธรรมชาติสัเพธรรมมาสเพธรรมมาก็แปลว่าสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรทั้งนั้นเลยนั่นคือสิ่งทั้งปวงนี้สิ่งทั้งปวงก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอ น, นัตตาข้ า, าไปยึดมั่นเกีมมั่นมันไม่ได้และสิ่งทั้งปวงมันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกฎหนึ่งธรรมชาติ อะไรก็เป็นธรรมชาติหมดไม่ยกเว้นอะไรทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จะตรู้ก็จะตระรู้ธรรมชาติธรรมชาติที่สงบสงบเยน็นธรรมชาติที่สงบเย็นคือที่ไม่อยู่ก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดทีนี้เมื่อพระองค์เห็นปัญหาก็เห็นปัญหาโอ้นี่ความเกิดเป็นทุก ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์เราจะต้องทําได้ทํำยังไงอย่าให้มันมีความทุกข์ไม่ใช่พระองค์เห็นแต่ของพระองค์อย่างเดียวเห็นของผู้อื่นเห็นของเพื่อนมนุษย์ของสัตว์โลกมีความทุกข์ทั้งนั้นเลยพระเข้าไปยึดถือในเวลาและมันเกี่ยวโยงกันไปหมด ทีนี้พระองค์ก็นั่งคิดนอนคิดในเรื่องราวนี้แหละคิดไปคิดมาเพราะในสมัยยุคอุปนิสัตตตอนนั้นก็หาพระนิพพานกันวิ่งหาพระนิพพานกันพระนิพพานก็คือความสงบเย็นนั่นแหละทีนี้ก็วิ่งหาวิ่งหาพระนิพพานกันก็เพราะว่าคนอินเดียนะ่ะ ที่เป็นมหาเศรษฐีมันร่ำรวยมหาศาลร่รำรวยมากมายเงินทองเป็นกองกองเพ็รนินจินดาก็เป็นกองกองเสร็จ แ, แล้วมันก็มีความทุกข์มันก็ต้องสร้างบ้านช่อขรือหาดให้มั่นคงสร้างกำแพงเหมือนกำแพงวังให้มั่นคงมันก็ยังมีความทุกข์ เพรนั้นก็เลยเบื่อหน่ายเบื่อหนายกันเบื่อหนายว้าเกิดมามาคว้าสมบัติไอ้พวกก้อนหินดินทรายอยู่อย่างนี้นี่เราก็นี่ยังไงก็มาคว้าวกระดาษกันอยู่พอใครมีกระดาษมากมากก็เอาไปไหวธนาคารก็ยังเอามาไหวบนหัวนั่นแหละรอ ย, ยึดมัน่นถือมัน่นที่นี่เป็นยังไงเขาก็พยายามที่จะ ออกจากทุกข์กันให้ได้ก็เลยสเสวงหากันใหญ่ในสมัยนั้นทีนี้ทำยังไงเขาคิดว่าเอออันนี้ผ่านไม่เห็นมันยากเย็นอะไรเลยเสพกามที่เสพกามแล้วมันก็สบายนั่ น, เ, นเขาคิดว่าแค่นั้นนี่ออกมันก็ไม่จริงอย่างนั้นก็มีศาสนาใหม่ขึ้นมาทีนี้ศา ส, สนาใหม่ก็คือศาสนาแห่งการม ก็จะมีวัดหนึ่งนะมีวัดหนึ่งที่ในประเทศอินเดียนะ่หลงในกามเพราะหลงในกามก็าพุทปั้นผ้าประว่าในโบสถ์ในวิหารของเขาเนะี่ยเต็มไปหมดคนเสพกามคอภัยท่าทางต่างๆเหมือนกับสัตว์ดิรัจฉานอย่านั้ น, ะ ใ, นในท่าทางต่างๆเขาคิดว่าเสพกามเสร็จแล้วก็ได้นิพพานคือมันจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุด แต่เสร็จแล้วมันไม่หยุดนะมันก็เสพต่ออีกพอมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมามนก็เสพต่ออีกเขาคิดว่านี่แหละคือนิพพานนี่นนแหละคือ น, นิพพานอ้าวเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้ก็หาสูตรใหม่อีกวิ่งออกเดี๋ย ว, วออกจากเรือนออกจากบ้านเข้าป่าเป็นฤาษีชีภรยไปค้นหาพระนิพพานนั่นทำไมนั้นไปค้นหา ไปคนหาพระนิพพานไปทำอะไรไปนั่งสงบสงบสงบใกล้ครวนใกล้ครวนดูใกล้ครวนดูนั่งสงบใกล้ครวนดูใกรครวนดูจนพบเรียกว่านั่งวิตกวิจารณ์น่ยนั่งวิตกวิจารณ์นั่งวิตกก็คือนั่งตรึกนั่งตรองตรึกตรองตรึกตรองตรึกตรองไปเรื่อยตรึกตรองไปเรื่อยมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตรึกตรองตรึกตรองตรึกตรอง กรึกตรองจนกระทั่งโอ้อย่างนี้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ ว, ล ว, ลวเสร็จแล้วก็กิรนั่นแหละคือนิพพานเห็นเรียกว่า เ, เ า, เาเรียกว่าเห็นไอ ว่าอะไรที่ตรงนี้ดูดีมันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูมันก็ไม่มาพอเราเรียกมันไม่มามันไม่มานี่คือมันเห็นเห็นไอ้อะไรอะไรคุณประเสริฐไม่ใช่นิพพานไม่ใช่นิพพาน ไม่ใช่ปัญญามันเพ่งเกิดฌานเห็นฌานขึ้นมาแต่ไม่ใช่ฌานระหว่างเราจะหลงฌานนี่แปลว่ารู้ฌานนี่แปลว่าเพ่งมันก็นั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งนั่งเพ่งอย่างนี้กายเซนนี่ก็ชอบเพ่งก็จะทําสวนหย่อมกายเส้นนี่ก็จะทําสวนหย่อม ในประเทศญี่ปุ่นนี่จะเจริญมากเมื่อก่อนก็เจริญในประเทศจีนเอกขยายออกไปในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นั่งเพ่งเพ่งเพงเพ่ ง, พ ง, พงทีนี้การจัดสวนญี่ปุ่นน่ยก็เรียกว่าสวนเส้นสวนเสซนสวนเสซนนี่ก็จะมีสถานที่ไม่ต้องมากมายหรอกก็จะมีหญ้ามอสแล้วก็มีก้อนหิน ก็มีทรายหรือกรวดขาวๆเอามาทําเป็นลักษณะของมหาสมุทรของแหลมของอะไรพวกนี้แหละแล้วเอาก้อนหินมาวางก้อนหินมาวางไว้ตรงกลางเหมือนเกาอย่างนั้นแหละให้ก้อนหินจะเอาลักษาไหนก็ได้แต่ไม่เอาก้อนหินที่มันแตกหักแม่เอ า, เอาก้อนหินที่เป็นธรมนธรมชาติที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุด ทีนี้บางคนว่าสวนเซนส่วนนั้นเขาออกก้อนหินในลักษณะที่คล้ายกับพระพุทธรูปแล้วก็เอามาวางไว้มันขาวที่การจัดสวนเซนหรือสวนญี่ปุ่นมันไม่ใช่ของง่ายแต่เราเดี๋ยวนี้เอาไม้ดอกไม้ประดับมาจัดก็พอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สวนเซนนั้นเซนหลอกในประเทศไทยนี่สวนมากเซนหลอกทั้งนั้น แต่เส้นจริงเขามีเอไว้เพ่งเพราะเม่เรามีหน้าจานอย่างนี้มีหน้าจานมีกุฏิมีบ้านมีหน้าจานสําหรับนั่งเล่นแล้วข้างหน้าเราก็มีสวนเส้นมีสวนเส้นไว้นั่งเพ่งทําสมาธิทําสมาธินี่พระเส็นรูปหนึ่งก็นั่งนั่งเพ่งก้อนหินเพ่งเพ่งเพ่งเพเพ่งมีเวลาว่าก็นั่งเพ่งอยู่ตรงนั้นแหละ มันต้องอาจใจความสงบด้วยอะไรด้วยนั่งเพ่งทีนี้อะไรมันก็พอดีพอดีอเอาเพ่งก้อนหินเพ่งก้อนหินจนเห็นก้อนหินก้อนนั้นเป็นพระพุทธรูปเดินได้ด้วยเดินได้เอ๊ะแปลกแปลกประหลาดทำยังไงเนี่ยน่าจะเอาก้อนหินก้อนนี้มากัดเป็นพระพุทธรูปดีกว่าเอาเลย ขึ้นไปหาพระอาจารย์ใหญ่ก็กราบพระอาจารย์ใหญ่ว่าอาจารย์ครับกลาวกับผมนั่งเพ่งก้อนหินใส่สวนเซนเห็นก้อนหินนั้นเป็นพระพุทธรูปเดินได้แล้วก็ถ้าจะเอาก้อนหินก้อนนั้นมาจะกัดเป็นพระพุทธรูปมันน่าจะดีว่าอย่างไงรอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่านี้ เมื่อจิตของคุณเป็นสมาธิไม่ใช่กันเรื่องนะเรื่องเดียวกันนะกนละเรื่องเรื่องเดียวกันนะเมื่อจิตของคุณเป็นสมาธิยกจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละขึ้นสู่วิปัสสนาขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือยกจิตขึ้นสู่ปัญญายกจิตขึ้นสู่ปัญญาปัญญานั้นนะพิจารณาไป พิจารณาอะไรตอนแรกกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่างเดียวพอไม่ต้องมากเส้นผมก็ได้อย่างเดียวพอเอามาพิจารณาพิจารณาไอ้ผมอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงอนิจจังยังไงดูมันเป็นอนิจจังยังไงมันเป็นทุกขังยังไงเป็นอนัตตายังไงเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเป่่งโอ้มันเป็นอนิจจัง ไหลเรื่อยต้องตัดมันทุกเดือนต้องตัดมันทุกสิบห้าวันสีมันก็เปลี่ยนแปลงสีก็เปลี่ยนแปลงตัวมันเองก็ยาวออกอกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมันเป็นสิ่งที่สกรปรกที่เราเข้าไปยึดถือทีนี้เราดูต้ว่าถ้ามันไม่สกรปรกเช่นว่าเรากําลังทานอาหารอยู่มันมีเส้นผมอยู่ในถ้วยแกง มีเส้นผมอยู่ในข้าวมันก็สะอิด จ, จะเอียงเพราะมันจบ ก, กระปรกเส้นผมสีของมันก็จบ ก, กระปรกทีนี้อาหารของมันมีอะไรน้ําเลือดน้ําหนองมันจบ ก, กระปรกนั่นอาหารของมันแล้วก็มีไว้ทําไมมีไว้เพื่อที่จบปกปิดศีสับเพราะใน ก, กระโหลกศีรษบ เรามีน้ำมันสมองปกปิดความหนาวปกปิดความร้อนปกปิดขี้ฝุ่นเงียบหน้าที่ของมันก็ไม่สะอาดตัวมันเองก็ไม่สะอาดอาหารของมันก็ไม่สะอาดมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีอยู่ในวัย รุ่นวัยหนุ่มวัยสาวโอ้เจ้านี่พี่รักน้องมากไม่มีคำที่จะพูดแล้วดูผมของน้องที่สวยขอผมมาถ้ากระจกหนึ่งเอามาสาวข้าวกินข้าวกับผมของคนรักนั่นแหละกินได้ไม่ได้มันจกกระปรกไหมมันมีแต่จบ ก, กระปรกจกกระปรกจกกระปรกพิจารณาดูดีทุกอย่างจบ ก, กระปรกทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นขนไม่ว่าจะเป็นเล็บโอ๊ยไว้เล็บยาวเหมือนกับเล็บนอกอย่างนั้นเลยสวยที่ไหนมันจบ ก, กระปรกจะตายไปนี่เราเห็นผิดไปหมดเพราะว่าขาดปัญญาเห็นเป็นของสวยงามไปหมดแต่แล้วมันก็จบ ก, กระปรกทางนั้นเนื้อหนังโอยดูเนื้อละเอียดนะดูเนื้อหนังละเอียดนุ่ม เห็นเส้นเลือดเลยดูสวยงามขาวผ่องเป็นนวลาลกหนังออกมาที่มันเป็นอะไรข้างในมันเป็นเนื้อหนังก็มีไว้สำหรับปกปิดเนื้อปกปิดเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นก็ลึกรักลึงรัดลึงรัดเอาไว้ไม่ให้เนื้อมันหลุดแต่แล้วก็มันก็มีข้างในคือมีกระดูกให้ติดกับกระดูกมีเนื้อมีน้ามัน มีเส้นเอ็นมีกระดูกก็มีไขกระดูกคือเยื่อในกระดูกเราดูที่อโอ้หน้าอกนี่สวยเหลือเกินนะมันตึงอย่างนี้มันอย่างนี้รู้ไหมมันไปใส่ของปลอมมานั่นนะเดี๋ยวนี้กําลังที่วุ่นวายกันใหญ่แล้วตอนนี้ใครที่ไปใส่ของปลอมมาหมอก็บอกว่าไอ้บริษัทนั้นมันปลอมนะไอ้ที่ใส่เข้าไปนั้นแล้วมันสามารถที่จะทําให้เกิดมะเร็งได้ เอาใหญ่ที่นี่เห็นไหมนี่มันเอาใหญ่ทีนี้ก็เราก็นั้นเข้าไปที่เอาปัญญานี่แหละเอาปัญญานี่ไปเชื่อชือนออกมาให้เห็นลำไส้ให้เห็นปอดเห็นตับเห็นนะแห็นนั่นเห็นนี่แห็นหมดพอเห็นหมดไอ้ที่เราเห็นจริงีตาเห็นเนี่ยมันเห็นแต่หนังเห็นแต่หนังเห็นแต่หนังทั้งนั้นเหลย เออตลกหนังออกไปอะไรออกไปเห็นลูกกระตาสวยรู้ไหมนี่นมนมสาวๆวชอบใส่ลูกกระตาปลอมกันไปเอาแบบหนังไปเอาแบบดารานะี่ยโอ้เปิดตามันกว้างกวางมันโง่ที่สุดเลยเห็นไหมมันโง่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปใส่ตาปลอมไปทำคิ้วปลอมไปใส่ขนตาปลอมอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ นี่แล้วมันก็จะเห็นได้ยังไงไอ้ที่ของจริงมันยังไม่เห็นแล้วมันยังไงเอาของปลอมเข้ามาเสริมอีกนี่คือไม่เห็นเพราะไม่ปฏิบัติตามอริยมรมปองค์8จกักกุลงุตปาทิตาปัญญาไม่เกิดเมื่อไม่มีตาปัญญามันมีตาอะไรทีนี้ก็มีตาโง่เองมันมีตาโง่โงทีนี้คนในสมัยโน้นที่หลวงพ่อบอกนะั่นแหละว่า เขาก็วิ่งหาพระนิพพานกันวิ่งหาพระนิพพานกันจนกระทั่งถึงข้าวในป่าในดงในถ้ำในสถานที่สงบสงบไปดูดูเสร็จแล้วเป็นยังไงจนเกิดฌานขึ้นมาพ อ, อศึกษาจนจนเกิดฌานขึ้นมาก็ไม่รู้จักอีกว่าฌานมันคืออะไรเหมือนกับพระองค์นั้น พระองค์นั้นที่นั่งเพ่งก้อนหินเป็นพระพุทธรูปพระอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าถ้าจิตคนเป็นอย่างนั้นคุณก็ยกจิตนั่นแหละขึ้นสู่วิปัสนาไม่ใช่ไปเอาก้อนหินมาสลักเป็นพระพุทธรูปยกจิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาปัญญาวิปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งแปลว่าเห็นแจ้งภาษาบาลีก็จะมีธาตุก็จะมีปัจจัยก็มีอะไร ทิสาธาตุในความเห็นไอปัจฉนาทิสาธาตุในความเห็นลงยุปัจจัยแปลงยุเป็นอาณะจักรศาสก็ไปตัวหนึ่งนี่เป็นปัจฉาแปลงทิสาเป็นปัสฉาปัจฉาที่นี้มีวิอยู่ข้างหนา้าวิแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างแปลว่าวิเศษวิปัสฉนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยปัญญานั่น ยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาก็คือยกขึ้นสู่ปัญญาว่ายกขึ้นสู่ปัญญาแล้วก็อะไรที่มันเป็นปัญหาที่เรากลัวนี่โอ้นี่ร่างกายของเราผมของเราขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเราหมดของกูหมดอะไรก็ของกูหมดแล้วมาดูที่ว่าของกูนี่มันอะไรของกูนี่มันอะไรแต่นอนิจจังยังไงเป็นทุกข์ขังยังไงเป็นอนัตตายังไงให้เห็นอย่างนั้น อย่างนี้ก็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสนานสปัญญามันก็เริ่มที น, นี้มันเริ่มเกิด เ, เริ่มเกิดพอเริ่มเกิดแล้วต่อไปมันเนี่ยเป็นฌานฌานนี้มันมีรูปฌานรูปฌานรูปฌานก็คือวิตกวิจารณ์ตรึกตรองตรึกตรองตรึกตรองตรึกตรองพอตรึกตรองตรึกตรองแล้วเห็นจริงขึ้นมาทีนี้เห็นจริงขึ้นมา พอเห็นจริงโอ้นี่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหมเราเนี่มันโง่โง่โง่โง้โงจริงๆเกิดปิติขึ้นมาทีนี้พอเห็นจริงเกิดปิติขึ้นมาน้ำตาไหลนองเลยเร้องไห้โอ้ยนี่ถ้าอย่างนี้เลยฉันพอราง่ายขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมาคิดดีกก็โอ้ยฉันเป็นห่วงพ่อแม่ฉันเหลือเกินไม่มีใครที่จะเหนื่อย กว่าพ่อแม่อีกแล้วเมื่อฉันรู้เรื่องนี้ฉันจะไปพูดให้พ่อแม่ของฉันฟังให้พ่อแม่ปฏิบัติแล้วเขาจะเริรู้นีร่รู้จักบุญคุณขึ้นมาแล้วทีนี้รู้จักบุญคุณรู้จักบุญคุณขึ้นมาแล้วนี่คือปีติปีติปีติปีติปีติปีติในองฌานนะแต่ถ้าปีติในสมาธิในสมาธิจริงๆมันมันมีไม่นานเนอะอาจจะทําให้ตัวเบาขึ้นมาอะไรขึ้นมาไม่นานมันหาย แต่ถ้าปิติในองค์ฌานยาวหลายวันหลายคืนหลายวันหลายคืนปิติในองค์ฌานนี่อ น, นี้ปิติในองฌานเนี้ยเอาเราออกแล้วเราออกจากฌานออกแล้วมันก็ยังไม่ออกมันก็ยังไม่ออกเกิดปีติปีต mm. ิเอาเราเดินไปอย่างนี้เดินตัวแข็งทื่อเลยโอ้ยสบายใจสบายใจสบายใจปีติปีติอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจ เดินก็อิ่มใจนั่งก็อิ่มใจนอนก็อิ่มใจแต่ความอิ่มใจ ente, มีเกิดปิติขึ้นมาอิ่มใจ psy, จนกระทั่งจะอยู่กับปิติอยู่กับปิติาทานอาหารอย่างนี้ของแข็งแข็งก็ไม่ชอบแล้วนี่มันเป็นไปตามธรรมชาติรีบาารีบดื่มๆๆๆ น, น้ำชากาแฟก็รีบรีบรีบรีบรีบรีรอรอบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบร็บรีบรีบรีบราบรีบรีบาีบีบี รีบๆๆช้อนกัไปแล้วก็จบไม่ไม่ไม่กินอะไรมากแล้วเอาพอดีพอดีแล้วก็เพื่อเอาเวลานั้นอยู่กับปีตีได้อยู่กับปีตีอยู่กับปีตีอยู่กับปีตีมันดื่มดำดื่มดำอยู่กับพีตีปีตีปีตีปีตีสามวันสามคืน4วันสีคืนหาวันห้าคื น, น, คนอยู่อย่างนั้นแหละมันจะอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนี่อยู่อย่างนั้นเราต้องมีครูบาอาจารย์ทีนี้เราก็ ถามดิ้ขึ้นไปถามครูบาอาจารย์ว่าอย่างนี้เป็นยังไงท่านก็บอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นมันมันเป็นอย่างนั้นมันเองเดี๋ยวไปทําต่อเธอไปทําต่อทีนี้เราทําไปทําไปทําไปปีตีนั้นมันค่อยๆล้อยหล่อลงไปล้อยหล่อลงไปล้อยหล่อลงไปก็อล้อยหล่อลงไ ป, ออลลงไปเกิดอะไรต่อไปอีกในรู ป, ปรชาติเกิดสุขขึ้นมาที โอ้ยมันเย็นเย็นสุกเย็นสุกสบายสบายใจพีตีนั่นอิ่มใจเพอเกิดสุก ข, ขึ้นมาสบายใจโอ้ยสบายใจนี่ทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งอะในสมองของเราจุดที่ทําแล้วมันสบายใจอีนี้พวกนักวิทยาศาสตร์เขาบอค้นว่าอยาบ้านี่มันอะไรเนี่ยมันอะไรนียทําไมก็พอกินเข้าไปแล้วมันจะไปกดประสาทส่วนนั้น ทำให้เครื่อไปเครื่อนพอหมดพลังพอหมดพลังก็ต้องการอีกหมดพลังก็ต้องการอีกมันเครืมอนก็เลยขายดียาบ้าเห็นไหมแต่เราปฏิบัติธรรมะไม่ต้องกินยาบ้าเราปฏิบัติข้าวอยู่ในรูปประชานนี่เพรรูปประชานมันมีจุดหนึน่งคือเรียกว่ามีปิติแลมีปิติแล้วก็มีสุขมีความสุขมันสบายบอกไม่ถูก เอาเงินล้านมาเร่ฉันก็ไม่เอาไม่เอาฉันจะอยู่กับความสุขอย่างนี้แหละคุณจะรวยอย่างมหาศาลยังไงเอาของมายังไงแรก่กับความสุขนี้ฉันไม่เอาฉันไม่เอาเด็ดขาดฉันจะอยู่กับความสุขนี่เรียว่าสุขความสุขในองค์ศาวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารระ ง, งับลงก็ทําให้เกิดปิติ อนี่ปีตปีตปีตปีตีมันนานข้าวนานข้ามันานข้าวนานเบื่อแล้วเบื่อแล้วมันบอกตัวเองว่าเบื่อแล้วพอเบื่อแล้วก็จ้องต่อไปจ้องต่อไปชานี่ยเลยคือเพ่งเพ่งเดี๋ยว่าจ้องต่อไปนกกระยางนกกระยางที่อยู่กลางตุ้งนามันจะไปยืนอยู่ที่ทางน้ำไหลอันี่พอน้ำไหลมันก็จ้องรัวปลา วันไหนมันมาตามน้ำไปจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องที่จะจิกปลาเหมือนกันเนี่ยพอปีติมันล่อยหลอคือเราเบื่อแล้วไอ้ดูกี่วันกี่คืนแล้วมันอยู่กับปีติยิ้มอยู่ภายในอย่างนั้นเน่ยเหมือนคนบ้ า, านั้นเสร็จแล้วกใครจะว่าอย่างไรไม่เกี่ยวตอนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งนั้นเลยอยากจะปลิดตัวอยู่เงียบเงียบเงียบ ทนี้ขอปิติล้อยหลอลงไปดูเพ่งไปจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็เกิดสุขขึ้นมาทีนึงวิตกวิจารณ์ปิติสุขตัวที่สามตัวที่สามก็เกิดสุขขึ้นมากอเกิดสุขขึ้นมาก็ดื่มดับด้วความสุขความสุขความสุขความสุขเย็น อ, อกเย็นใจ ปีตินีมันอิ่มอกอิ่มใจอันนี้มันเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจมันเย็นอกเย็นใจอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นมันเย็นอกเย็นใจอยู่อย่างนั้นนี่ยังไม่จบนะเรีว่ารูปประชาญรางเหลือเอกกตาจิตดังนั้นเวลาไม่พอแล้วต่อกันหม่ว่ากันใหม่ภาคค่ำหลวพ่อจะไปบินทบาแล้วก็ให้คุณประเสริฐพูดอะไรต่อ ย่อยต่อก็ได้เสร็จแล้วก็ทำวัดเช้านั่งสมาธิเดินจงกรมดเอาตามโอกาสก็ข อ, อยุดติในภาคเช้าของวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ทุกทุกท่านเจิญ